ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รูมโภคติยานในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามต่อไปคำถามว่าผีและวิญญาณมีจริงหรือไม่ก็มีจริงนะผีก็คือพวกปีศาจพวกเปรตพวกภูมาเทวดาลุกเทวดาอากาศเทวดาแล้วก็คนตายนะบางทีเราก็หมายถึงคนตาย ก็ทั้งหมดมันมีอยู่โดยสถานะของเขาเพียงแต่ว่าบางทีมันเล่ากันจนจะประเด็นไม่ค่อยได้แต่นั้นเองวาลีเรียกประปีาศาสตร์ก็มีวินัยกำหนดเอาไว้แล้วก็ยกเว้นในทางวินัยเนี่ยนพระถูกผีสิงนี่แกจะทำอะไรกหกกรเมนตีรังกาอยังไงก็ยกเว้นหมดอลคือปราบบัติแกไม่ได้แกไปกินเนื้อสดสดแไปทาอะไรก็ไม่รู้นะ เพราแกไม่ใช่เป็นตัวของแกก็ก็ไม่ปรับอบัตยไในทางวินัยไม่ได้ปรับอบัติ์เอาไว้แล้วก็บางทีมีพิธีกรรมต่างๆผีเกิดข้าวภิกษุขึ้นมาเนี่ยสามารถจะหยุดพิธีกรรมต่างๆได้ก็เราตายแล้วกลับชาติมาเกิดอีกหรือไม่มันไม่ถึงกับกลับชาตินะกลับชาติก็หมายความว่าเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น แต่ว่าจับใดที่มีกิเลสยังมีกรรมอยู่นะคนเราก็ต้องเบียดไหวตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ตลอดไปถึงจะเกิดดีเกิดไม่ดีเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเสื่อมเกิดเจริญเกิดนรกเกิดสวรรค์เกิดมนุษย์เนี่ยเป็นรายละเอียดมันเป็นกฎธรรมชาติธรรมะหลวงตามาบัวเป็นองค์นำผาป่าป่าช่วยชาติถือเป็นการเรื่องไรหรือไม่ผิดไปในสงหรือไม่ครับคือคนเขานิมนต์ท่าน ให้รับป้าป่าไปช่วยชาติท่านเป็นเจ้าของโครงการแต่การจัดได้ไรคนอื่นเขาได้ไรถ้สมมติว่าท่านบอกกล่าวมันก็เป็นการได้รที่รับอนุญาตนะเป็นเรื่องของสนับสนุนชาติบ้านเมืองการได้ไรถ้าได้รับอนุญาตมันก็ไม่แปลกอะไรที่จริงมันกฎหมายมันห้ามขึ้นการได้ไรมันก็ได้รายได้ ถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นกุศลแต่ของท่านเนี่ยเพราะอาจารย์บัวคนอาจจะรู้สึกตำหนิทุ่งตีงอะไรต่ออะไยท่า น, นในยุคสมัยตรงนี้แต่อาจารย์บัวนี่จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาว่าเคยมีพระองค์หนึ่งเวลาชาติบ้านเมืองเกิดวิกฤตขึ้นมาก็ทอดประปาหาเงินมาช่วยชาติบ้านเมืองเป็นเงินคงครั้ง เพื่อรักษาสถานะทางการเงินของชาติเอาไว้แล้วเป็นที่ยกย่องนะฮะเป็นที่ยกย่องในโอกาสต่อไปแต่คนบางทีมันก็มองท่านด้วยความริสยากเฉยๆคือมองว่าคนที่ทําอย่างนี้ได้เนี่ยมายัางนึกได้อีกท่านหนึ่งนะคืออาจารย์คูณถ้านในเมืองไทยนี่ไม่มีใครทําได้หรอกแล้วก็ไป น, นึกอีกองค์หนึ่งก็คืออาจารย์ศรี ที่ร้อยเอ็ดคือน่าจะทําได้พัวอาจารย์ศรีอาจารย์วิริยังหรือวัดธรรมมงคลพวกเนี้ยน่าจะทําได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครนต้องมีบา ร, รมีมากๆจึงหาเงินได้เป็นพันๆล้านอีกพวกหนึ่งก็คือธรรมกายสามารถทําได้โดวยวิธีการการตลาดของเขาเนี่ยก็เก่งแต่ทําแบบอาจารย์บัวเนี่ยทํายากมัะอาศัยบา ร, รมีล้วน ใส่ความศรัทธาเฉพาะตัวของท่านเราจะเห็นว่าสถาบันประมากษัตเองว่าการสนับสนุนโดยเฉพาะเจ้าพริงว่าอะไรอะไรทุลาพอเนะ่ะท่านก็เป็นประธานอยู่หลายครั้งหลายคนนะมันเป็นงานเพื่อชาติบันเมืองไม่น่าจะเอามาพูดตั้งแงตั้งมุมอะไรกันหรอกเราทำไม่ได้ก็ยกมือทุกหมูวนโมทนาชาธุกับท่านไป คนที่ทำได้เราก็ชื่นชมยินดีกับเขาเราทำไม่ได้บุญเราน้อยวาสนาเราน้อยเราทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ดิฉันต้องการทราบความเป็นมาและรายละเอียดเกี่ยวกับพิจุนีที่อยู่ในประเทศไทยตัวยนพิจูนีท่านหนึ่งออกรายการโทรทัศน์ช่องเก้าเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรก เิยความไม่เข้าใจและสงสัยทำไมโกงทาไมโกนผมสุ่งหมจีวครคล้ายพระภิกษุษสงฆ์เคยพุทธเจ้าได้เล่าฟังเพื่อเป็นความรู้คือไม่ค่อยให้ความสนใจอะไรเท่าไหร่หรอว่าที่จริงคนคนนี้ก็รู้จักคุ้นเคยกันนะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีปัญหาภายในใจของเขา คล้ายๆกับแม่เขาไม่ได้รับความยุติธรรมจากคณะสงฆ์ที่ไม่ยอมบวชให้ทั้งๆที่เขาเองศึกษาเรื่องศาสนามาจะเป็นด็อกเตอร์มันน่าจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะมาจึงไม่ค่อยเห็นความสำคัญของคนคนนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยภิกษุณีเนี่ยมันบวช ด, ด้วยภิกษุณีสงฆ์แล้วก็พระสงฆ์ก็มาสวดประกาศรับรอง ในตอนสุดท้ายเมื่อเขาเสร็จพิธีเขาแล้วนะพระสงฆ์ก็รับรองเท่านั้นเองแต่ทีนี้เวลนี้มันไม่มีภิกษุณีสงฆ์จะบวชเราจะบวชได้ยังไงประเทศไทยเราไม่เคยมีภิกษุณีมาเลยตั้งแต่ศาสนาพุทธเข้ามาเนี่ยแล้วที่ลังกาเองก็ไม่มีนะฮะเพิ่งทําขึ้นมาไม่กี่ปีนี่เองทีนี้การบวชถ้าเริ่มไม่ถูกต้องแล้วคือไม่เป็นภิกษุณีโดยชอบด้วยประวินัย เมื่อไม่เป็นพึกงทนูมีโดยชอบโดยปีไหนก็เป็นการปฏิบัติลวงโลกที่เรียกว่าไม่เป็นสัมมณีก็ปฏิยานตนเป็นสัมมณีในเป็นสัมปณะก็ปฏิยานตนเป็นสัมปณะนั้นเป็นการปฏิบัติลวงโลกมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ใครอ่ะเหมือนกับพรอมบวชอ่ะมันเป็นประโยชน์อะไรกับใครตัวเองก็สร้างบาปหลอกลวงชาวโลกเขาศาสนาก็แปดเปื้อนโดยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของบุคคลเหล่านั้น เพราะคนเราถ้าต้องการประพฤติทมให้สุดจิตดิเนี่ยมันต้องเริ่มสุดจิตดิที่ตัวเองให้ได้อย่าประพฤติทมให้เป็นทุจริตหรือสร้างปัญหาความเดือดร้อนก็ภิกษุณีเดี๋ยวนี้แหละทางมาหายานเนี่ยเขามีที่จริงในเมืองไทยในมีภิกษุณีคุณวราพรที่โชคชัย4ที่ สำนักสงฆ์จะไม่กวรอิ่มมาได้เขเนี่ยไปบวชมาทั้งผู้หญิงผู้ชายไปบวชกันอยู่เยอะคือใครไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิต ท, ที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่สามที่แปดก็เปิดให้ลงโถงเต็มที่เลยแต่ว่าการที่ตัวเองไปทําผิดมาและบังคับไปพระบวชให้เนี่ยอันนี่ยคือไม่ถูกพระไม่มีใครก็บวชให้ไม่ใช่ก็ลังเกียจเดียวชั้นอะไรแต่ก็ทำให้ไม่ได้เพราะไม่มีหน้าที่ของเขา ทำนะจีผิดอาการไม่ทำนะมันไม่ผิดแต่ใจนี้ถ้าเขาต้องการจะบวชก็ไปบวชมากับมหายานเลยแล้วก็มาตั้งตัวเป็นสำนักอะไรอะไรกันมาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องการศักดิ์ศรีต้องการเอาชนะค้าขันกันต้องการตัวเองเป็นภิกษุณีสองฆ์องค์แรกให้ติดประวัติศาสตร์ของชาติไทยมันเจตนาไม่บริสุทธิ์หรอกคนเราถ้าเจตนาบริสุทธิ์เจตนาปฏิบัติธรรมะนะปฏิบัติธรรมะก้อไหนก็ได้ พระชาชิน่ากับรรลุมากคลเป็นพระอราหันได้ไม่จะแปลกอะไรสมัยจะต้องจะต้องบวชให้ได้จะต้องบงังคับไปพระบวชใ้ตัวเองให้ได้อันนี้มันเกินเหตุเกินผลไปข้อต่อไปถามว่าการประสมบวจะต้องเสียข้าประสมบวชวงเล็บข้าวบัวชาค่าโดยประมาณสองพันสามพันในเมื่อมีผู้ต้องการจะบวชเพื่อศึกษาพระธรรมวิ น, นัยก็ควรจะบวชให้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเพราะคุณเจ้ามีความคิดิในเรื่องนี้ยังไงคือว่าที่จริงการบวชในปัจจุบันเนี่ยพวกอถาถบริหารมันค่อนข้างแพงนะฮะื อ, อยังนึกว่าสองพันน่าจะไม่อยู่ทั้งบาททั้งจีวรทั้งสังฆติทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยบริหารก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าอุปชายะที่จริงอุป च a r อาจารย์คู่สวดนี่ไม่ถวายก็ได้วัดวรบวทิทีงเป็นร้อยๆย ไม่ต้องจ่ายอะไร ส, สักบาทเด่งแต่ค่าอาถรบริหารก็ต้องซื้อนะ่ใจวัดช่วยเนี่ยถ้าไม่มากคนเนี่ยพอไหวเดีย๋ยวถ้ามากเกินไปก็ไม่รู้จะเอาจากไหนมาช่วยเพราะฉะนั้นถ้พูดถึงงบประมาณขนาดนี้มันมันไม่ใช่ถวายวิยชาแล้วมันเป็นค่าอาถรบริการนะพระจีวรในตัวหนึ่งก็เป็นพันนะจีวรในตัวหนึ่งเป็นพันนะ่ะ พระสบงตัวหนึ่งก็อย่างน้อยก็ห้าสิบแต่ทุกวันกว่าแล้วก็เป็นร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลขตัวเลขที่นี้แสดงว่ามันเป็นเครื่องอัฐบริขารที่ซื้อไปในการบวชเท่านั้นเองไม่ได้ถวายอะไรใครหรอกคือวัดเนี่ยพระเองเนี่ยถวายหรือไม่ถวายท่านไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคนจะถวายก็ถวาย มันเป็นภาระหน้าที่ของท่านที่จะบวชให้อยู่แล้วแต่ว่าการเสื้อถ่าบริขารเป็นเรื่องที่ญาติโยมจะต้องซื้อกั น, นเองอเพราะต้องเป็นของเราอะนะฮรัท่านถามมายันเตปัตโตนี่บาดของเจ้าหรือยังสร้างคาตินี่บาดอันนี้สังกติของเจ้าหรื อ, อยังอุตราสังโขอันนี้จีวรของเจ้าหรื อ, อยังอันตราวาสโกเนี่ยอันนี้ป่าสบงของเจ้าหรือนี่ครับครับราบอกอามาพันเตมาพันเต แต่ถ้าของคนอื่นมันก็ไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าของคนอื่นถ้าเขาให้มันก็ได้แต่ทีนี้ถ้าให้เนี่ยอย่าลืมว่าอา น, นิสงส์จากการบวชเนี่ยเราต้องการจะมีส่วนในการบวชลูกหลานของเราเราต้องการจะเสียสละเองเพราะนั้นประการสาคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องทำด้วยตัวเองนี่เป็นหลักสองพันสามพันไม่ใช่นั่นหรอฮะ ไม่ใช่เงินจำนวนมากหรอกเป็นค่าอัฐาบริหารที่ใช้ในการบวชเถือศาสตร์อันานาทั้งหลายนี่แหละต้องไปศึกษาดูให้ดีไม่ทราบประบวชที่ไหนแต่เข้าของไอ้นี่แพงนะครับเข้าของไอ้นี่รู้ว่าอย่างแพงจีวรบางตัวนี่พันห้าร้อยสองพันก็มีนะตามเด่นไป วิชาพุทธศาสนาจะสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางจะสอนอยังไงนั่นนะสิชักงสงสัยเหมือนกันเกิดมาว่ามันสับสนในการพูดมากกว่าที่จริงการสอนเนี่ยเอาเนื้อหาวิชานะั่นแหละเป็นศูนย์กลางนักเรียนกับครูเข้าใจตรงกันตามเนื้อหาวิชาที่ท่านศึกษาเอาไว้ไม่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางยังนึกไม่ออกนะไม่ไม่เข้าใจ แลเด็กเป็นศูนย์กลางหมายความอย่างไรเด็กคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นแล้วก็ถูกหรือไม่ถูกได้ไม่รู้อะไรคือข้อมูลด้านศาสนาด้านศีลธรรมเนี่ยมันเป็นผลตรงมาจากการศัตรู้ของพระพุทธเจ้าเด็กๆก็จะรู้อะไรเรายังไม่เคยรู้อะไรเลยแล้วเจ้าเราเป็นศูนย์กลางได้ยังไงก็าธรรมะเอาวินัยเอากฎหมายเอาวิชานั้นๆเนี่ยเป็นศูนย์กลางหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเนี่ยมันก็แสดงเอาเลขเป็นศูนย์กลางไม่เจ้าเด็กเป็นศูนย์กลาง เราเด็กเป็ น, นกลางไปแล้วแต่ก็ะกจะบวกเอาทำอรธยาศัสมันนึกว่าภาษาที่ใช้สื่อเนี่ยมันสื่อกันไม่เข้าใจมากกว่าก็ยังยังไม่เคยถามไอ้พวกที่ชอบอธิบายในเรื่องเหล่านี้นะเพราะว่าเคยสังเกตที่ออกโทรทัศน์อะไรเนี่ยก็พยายามทําความเข้าใจแต่ก็เห็นว่าเชยเชยเดอดเดอไม่ค่อยเป็นรั่เป็นพายอะไรตัวใหญ อยากให้กรงการศาสนาจาัดครูที่เป็นพระสงฆ์มาสอนในวิชาพระพุทธศาสนาคือถ้าจัดจริงเนี่ยเอาก็จริงเนี่ยพระเรามีไม่พอหรอกพระในจำนวนคนนิดเดียวในประเทศไทยเนี่ยแต่เราลืมคิดเปอร์เซ็นต์ออกมาดูเท่านั้นเองคือพระร้อยรูปเนี่ยนะเป็นนักเรียนจะหกสิบห้ารูป เป็นพระผู้เท่าเสียสิบห้ารูปเพราะนั้นเป็นพระที่จะอยู่ในเกณฑ์ทํางานทําการต่างๆได้ทุกๆเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยนะประมาณยี่สิบรูปเพราะถ้าเราคิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระประเภทเนี้ยมีประมาณสักสี่ห้าหมื่นเองตัวประเทศนะเพราะนั้นถ้ากระจายออกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆถังค่อยๆไปนี่ได้เลยจะรวดเดียว เตหมดทั่วประเทศเนี่ยทำไม่ได้หรอกพระเป็นบุคลากรน้อยนิดในสังคมการสอนวิชาพระพุทธศาสนาถ้าเราต้องการจะสอนในพวกที่บวชแล้วได้นะักธรรมเอกได้ประเราศีรษะห้าประโยชนออกไปเนี่ยนะฮะเราก็ไปรับสมัครคนเหล่านี้แล้วก็มาเข้าขอดอบรมพิเศษมาตีวเข้มกันสักระยะหนึ่งทําส่งไ ป, ไปเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุด แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยควรจะสอนด้วยกันหมายความว่าทุกคนเนี่ยต้องสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาวิชาเหล่านั้นได้สอนเลขก็สอนได้วิทยาศาสตร์ก็สอนได้สังคมก็สอนได้สุขศึกษ า, าก็สอนได้ธรรมะมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วโดยกฎธรรมชาติของมันก็ถ้าหากว่าเราเข้าใจกฎแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแปลกอะไรหรอกสามารถที่จะสื่อสารติดต่อกันได้ ต่อไปท่านถามอาการทําทานทํากับบุคคลทั่วทั่วไปและทําทานโดยบริจาคเงินสร้างวัดสร้างทาวรวัตถุจะได้บุญแตกต่างกันอย่างไรอันนี้มันต่างกันนะนะเพราะาการให้ทานแก่คนทั่วไปนั้นมันเป็นปบบเจกับบุคคลเรียกว่าปาติปุคะลิกทานคือเจาะจงบุคคลแล้วคนนั้นไม่รู้มีศีลมีธรรมะอะไรหรือเปล่า เป็นดินที่เหมาะสมแกการหว่านพืชตรงหรือไม่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าการสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุเนี่ยปันเป็นสาธานากุศลและเป็นถาวรกรรมพระเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะพวกถาวรวัตถุทั้งหลายเนี่ยคือเอาของอย่างนี้มาเทียบกันมาไม่ได้มันไกลกันมากนะไอ้ถงผลบุญไกลกันมาก คือสามัญชนเนี่ยถ้าเขามีศีลมีธรรมก็พอสมควรนะฮะถ้าไม่มีศีลมีธรรมมันก็ไม่ค่อยได้อะไรอะไรหรอกแต่ว่าเสนาสนทานเนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนว่าได้ผลได้นิสงมากนิพพานมีสถานที่หรือไม่ไม่นะครนิพพานเป็นนาตาหรืออนัตตาเป็นอนัตตานะฮะนิพพานังปรามังสุญญ์ยังนิพพานศูนย์อย่างยิ่ง สเปธธรรมานาตารมทั้งหลายเป็ น, นานตาอยากลึกชาได้ทำยังไงก็เจริญสมถกรรมาฐานขึ้นไปจนถึงจิตจุดหนึ่งนะฮะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่วันไหวไม่มีกิเลสประาศจากอุปกิเลตเป็นจิตอ่อนพร้อมจะยอมไปเพื่อลึกชาปังก่อนได้แล้วการลึกชาก็ค่อยทยอยกันมาเป็นกระแสไหลไม่ขาดสายเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ เออศีลห้าข้อใดคนละเมิดเออผิดศีลมากที่สุดเลดใดจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้ศีลข้อนั้นบริสุทธิ์ได้ถึงข้อที่หนึ่งะฮะคือปาณาธิบาทค่าทำลายชีวิตเป็นบาปหนักที่สุดเป็นเกิดจากโลภะกับโมหะเพราะมนุษย์เรามันชีวิตมันสำคัญที่สุด ลงลงมาก็เป็นทรัพย์นะฮะเราลองลอ ง, ล อ, งลองดูกันแล้วกันนะสถานภาพเนี่ยมันร อ, อนด้อยกว่าลงมาก็เป็นทรับลงลงมาก็เป็นคู่ครองลองลงมาก็เป็นการสื่อสารกันลงลงมาเป็นสิ่งเสพติดให้โทษเวลาเนี้ยในวงการศึกษาพวกครูบาอาจารย์เนะี่ยจะพูดกันมากว่าสินข้อห้านี่สําคัญที่สุดเพราะว่าคนละเมิดศีลข้อห้าแล้วเป็นเหตุแล้ละเมิดสินข้ออื่นได้ของคนละปะเล็น การละเมื่อสินข้ออื่นสมมุติว่ามอยาบ้าไปฆ่าคนตายเขาก็ตัดสินเรื่องฆ่าคนตายมอยาบ้าไปปล้นเขาเขาก็ตัดสินเรื่องปล้นเมาอญยาบ้าแล้วไปฉุดฆาตนาจารนเขาก็ตัดสินเรื่องฉุดฆาตนาจานมอญยาบ้าแล้วไปโกหกเนี่ยเขาก็ตัดสินเรื่องโกหกมอยาบ้าแล้วไปผิดจำนายให้ขึ้นมาก็เขาปรับในเรื่องของการผิดจำนาย ตอนผู้เจ้าทันเดียงไว้แล้วทีนี้ทํำยังไงก็คือสมาทานศีลใหม่สมาชาบ้านทั่วไปก็คือสมาทานศีลใหม่ศีนมันสมาทานแล้วมันก็ขาดกันได้หรอกขาดขาดแล้วก็สมาทานใหม่ขาดอีกก็สมาทานอีกขาดอีกก็สมาทานอีกจนกว่าจะรักษาได้หนักแด่นมั่นคงแล้วก็หัดหัดรักษาศีลที่เรียกว่า เป็นสมุทเฉตตาปารานคือละเป็นข้อๆนะเช่นว่าข้อสุรานี่ละให้ได้ก่อนเดี๋ยวต่อไปก็คือกามต่อไปก็คือมุษาต่อไปก็คืออาทินานะเรื่องปานาธิบายก็ใหญ่น้อยเพราะว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็อาจจะตายเราก็เอาทีหลังในราคาดทีหลังศ า, าง ส, สนาพุทธมีสองนิกาย ถ้าเป็นนิกายเดียวกันได้หรือไม่ประเด็๋อ๋อรวมเป็นนิกายเดียวกันได้หรือไม่ประเด็๋ใดไม่ได้หรอคือรวมเนี่ยมันไม่จำเป็นเพราะว่ามันเป็นขานกันเหมือนนกมีปีกสองปีกนะฮะเหมือนคนมีขาสองขาเนี่ยมันไปช่วยกันได้นะฮะแต่ถ้ามีขาเดียวมันก็ช่วยกันไม่ได้มีปีกเดียวก็บินไม่ได้นะฮะแล้วก็ศาสนาที่มีสองนิกายเนี่ยมันช่วยคย้ายันกัน แล้วก็ช่วยกันรักษาช่วยกันเคร่งนะฮะช่วยกันเคร่งครัดตามพระวิ น, นัยทีนี้ถ้าพวกมากลาบไปแล้วในที่สุดถึงจุดหนึ่งครัก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียไดย้ชาวบ้านก็ต้องยอมเพราเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยนะคนรุ่นใหม่เกิดมาไม่รู้หรอกพระมีเมียไดย้หรือไม่มีเมียนะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับคนในสังคมของโบตันเนี่ยเขาเกิดมาถึงเขาเรียนนักบวชเขาก็มีลูกมีเมี ย, ยมีครอบครัวเหมือนกันกเขาเรียกคุณพ่อ เขก็เชื่อถือประพฤติปฏิบัติตามคุณพ่ออยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ติดใจอะไรศา ส, สนาในสุดมันก็เปลี่ยนแปลงจากเนื้อหาสาระที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะซึ่งทรงว่าให้พระธรรมีไนเป็นศาสดาแทนเนี่ยเป็นหลักการที่เราจะต้องรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์เป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์มันเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ ดับไปก็ดับไปแต่ว่าถ้าเขาจะรวมเนี่ยรวมกันโดยการเวลามันผ่านไปร่วมหลักความคิดการร่วมกิจกรรมการร่วมผลประโยชน์การร่วมทำงานร่วมศึกษาเราเรียนในร่วมไปเรื่อยมันก็รวมไปเองเนะฮะมันเหมือนกับสำนักแม่กองธรรมหรือว่าที่มาหาวิทยาลัย ม, มกหกรดราชวิทยาลัยเนี่ย แล้วท่านผู้ฟังมาดูนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งๆ ท, ที่เป็นของธรรมยุทธ์เนี่ยนะฮะหัวหน้าเป็นคณะธรรมยุทธแต่ว่าพระมานิกายจะมากกว่ามากกว่าหลายเท่าเลยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่เคยสนใจว่าใครเป็นนิกายอะไรแต่ว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทํากันไปเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาการก็ว่ากันไปคือมันมันร่วมกันได้เยอะแล้วนะฮะแต่ถ้ารวมเนี่ยมันเป็นอนาคต ก็อาจจะมีก็ได้แต่ว่าไปบังคับรวมเนี่ยไม่ได้ครับพวกนิกายทั้งหลายเนี่ยถ้าบังคับรวมแล้วอย่าลืมมากฎหมายระฐธรรนูนเนี่ยเขาเปิดโอกาสไว้กว้างถ้าเราบังคับสองให้รวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสามแทนที่จะเป็นหนึ่งคือหมายความว่าหมานิกายที่ไม่ยอมรวมธรรมายุทธที่ไม่ยอมรวมกับหมานิกายกับธรรมายุทธ์ยอมรวมเดือก็สามนิกายทีนี้คุณสั่งอีกทีหนึ่งกลายเป็นห้าแล้วทีเนี้ กลายเป็นห้าคือหมายความว่าตํายยึดกับอนิกายที่ที่เคยรวมกันมาแล้วนะฮะอาจจะรักษาไว้แต่ว่าอีกชุดสองนี่แหละก็าอาจจะแตกออกไปอีกแตกไปอีกอย่างแั้นอนิกายก็กลายเป็นห้าก็งคก็มีปัญหานะฮะก็มีปัญหาอย่าไปยุ่งในเรื่องขนาดนี้ลูกที่ดีและพัญญาที่ดีมีมี กฎอะไรนะอย่างหลบ้างก็ลูกที่ดีก็คือพ่อแม่เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบช่วยทํากิจการงานของท่านดํารงวงศกุลหรือเพืชตนเป็นคนเหมาะสมแก่การเป็นญายาทของสกุลแล้วก็ท่านตายไปแล้วทําบุญมุทิตกุศลส่งไปให้พ่อแม่ที่ดีก็คือห้ามปรามลูกไม่ทําความชั่วให้ลูกประพฤติปฏิบัติความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยา แล้วก็ตกแต่งให้มีครอบมีครัวเป็นฝั่งเป็นขวาเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็มอบทรัพย์มรดกให้ในการที่เหมาะสมแก่การจะมอบทรัพย์มรดกให้เอาขนาดนี้ก็เยอะแล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆความเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกัน ลูกให้การยอมรับนับถือต่อพ่อแม่พ่อแม่ให้ความรักความเมตตาสงสารต่อลูกและนอกจากนั้นการปฏิบัติต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อก็จะเกิดติดตามมาเองโดยธรรมชาติธรรมดาของมันปัญหาเวลาเนี่ยเราขาดแคลนแต่ว่ามันเป็นปัญหาหลายๆเรื่องคือเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาต่างต่ามนี่มันดีบรัดเอกมากๆทําให้เกิดปัญหาในการศึกษาอบรม การสร้างสำนึกการรับผิดชอบต่อภาระที่ตนจะต้องมีต่อบุปกรารีหรือว่าที่พ่อแม่ลูกอพ่อแม่จะมีต่อลูกของตนซึ่งก็ต้องช่วยกันคิดแก้ไขกันไปเรื่อยๆอยท่้นฟังทั้งหลายแต้รุปมหาวิทยาในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบูรณในธรรมยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี